หลวงตาคราบับหลายท่านมองเห็นถึงความเพียรพยายามของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อชักจูงคนให้มาทางธรรมมีสติในการคลองชีวิตด้วยความไม่ประมาทและรู้จักสั่งสมบุญทานบารมีไว้แม้แต่เด็กๆที่เข้าวัดตั้งแต่อายุ2ถึงสขวบหลวงตาก็มีวิธีการชักจูงให้เข้าวัดโดยการให้ความเมตตาไม่ถือสาความไม่ระษา ข, ของเด็กที่ตั้งใจมากราบท่าน ท่านมีขนมมีของฝากให้ติดมือกลับไปทุกครั้งจะต้องให้ของกลับไปเต็มทั้งสองมือพร้อมกับบอกเด็กๆว่าเอาหอบไปมีตัวอย่างความไม่ประสาของเด็กที่เข้าไปกราบท่านครั้งนั้นท่านหันไปทางศิษย์ที่เข้ามามอบทองและเงินร่วมบุญกับท่านเด็กน้อยคนนั้นตั้งใจที่จะถวายของให้หลวงตา เห็นท่านไม่สนใจหลังจากรออยู่นานแล้วจึงเอื้อมมือเน้นน้อยไปสกิดบ่าหลวงตาพร้อมกับเรียกท่านด้วยเสียงอันดังว่าหลวงตาคราบับหลวงตาคราบับผู้คนตกใจส่งเสียงฮือกันทั้งศ า, าลาหลวงตาหันมามองเห็นเด็กน้อยกำลังสกิดบ่าท่านท่านหัวเราะด้วยความเอ็นดูผมเห็นภาพนั้นแล้วต้องยิ้มด้วยความสุขที่ทั้งเด็กและหลวงตาต่างยิ้มแย้มหลวงตาได้ให้รางวัลเด็กน้อยเป็นพิเศษกว่าทุกครั้ง ท่านบอกว่าเอา้าหอบออกไปเวลาหลวงตาหัวเราะทุกคนจะหัวเราะไปด้วยและรู้สึกมีความสุขแม้กระทั่งการเล่าเรื่องต่างๆหลวงตาท่านก็จะเล่าไปขาไปท่านมีเรื่องเล่าให้ฟังมากมายทั้งเรื่องราวของพ่อแม่ครูอาจารย์และพระทั้งหลายที่ท่านได้มีประสบการณ์ร่วมกันเรื่องเสอือเรื่องสัตว์ต่างๆท่านสอดแทรกเล่าให้ฟังไม่เคยขาด แม้ท่านมีอายุจะครบ8ดรอบแล้วท่านก็ยังมีอารมณ์ขันและตอบปัญหาต่างๆได้รวดเร็วและเฉียบคมเหมือนเดิม